พีน้องลูกหลานจะถูกปัจจัยที่ถวายองค์กระถินก็เพื่อนสร้างศาลาสร้างอะไรที่เราเก็บปฏิบประต่อยังไม่เสร็จคงจะเอามาใช้ในงานการก่อสร้างก็คงจากนั้นก็คงจะให้วัดสาขาวัดสาขาก็มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้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 โรงพยาบาลเถียออนจะเหนอก่อนเพื่อนหลวงพ่องง응เอาก็ได้เห็นด้วยก็คงจะก่อเป็นฝาผนังขึ้นมาหน่อยนึ่งแล้วก็คงจะใส่มุ้งรวดแล้วก็คงจะปูกระเบื้องให้เขาได้พักพอนุพวกที่ไปเยี่ยมใครแต่บรรจุค น, น, นคงจะเป็นร้อยกว่าอยู่มั้งคงจะกว้าง น, นะเข้าไป พักที่นั่นก็ได้และก็คงจะทําห้องน้ําห้องส้วมให้เขานี่แหละสรุปแล้วก็คือจะตุปั จ, จที่เราได้มากับแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังถ้ามันไม่พอคือเอาช่วยๆกันนี่ปัจจัยสี่เราจะไปคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่อีกส่วนหนึ่งกันงานของหลวงปูจ่จยำ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 เป็นเงินของพระพุทธเจ้าใช้ใครใช้ในวงการพระพุทธศาสนาอย่าไปใช้ออกลอกดูนอกทางสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อพระพุทธศาสนามีความจำเป็นเงต้องได้ใช้ในแหละงานหนักๆถ้าแต่นักกว่านั้นไปอีกก็คือถ้ามือลงมือสร้างเจดีย์เมื่อไหร่ที่หลวงพ่อรับปากไว้50ล้านอันนี้ก็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 ท่านทั้งหลายได้ยังไงเพราะความคิดไม่หลอบคอหลงพ่อมั่นใจถึงขนาดนั้นจึงได้ประกาศมั่นใจเป็นไปได้ไม่เดือดร้อนแต่เงินบริสุทธิ์ไม่ใช่เงินขายยาบ้ายาา ก, กแล้วกัน อ, อันนั้นเป็นปฏิปักษ์กับหลวงพ่ออย่างร่ายแรงเงินที่เงินไม่บริสุทธิเเ์เงินต้องบริสุทธิ์ได้มาโดยเป็นธรรมได้มาโดยความบริยะ มันไ้จักมาแล้วก็เก็บรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้รู้จกัจ ก, จกแบ่งรู้จักปล่อยเหมือนกับเรากักตุนน้ำอย่าอนก้นเราไม่ใช่จะเก็บไว้ตลอดไปไม่ใช่่เราจะต้องปล่อยแต่รู้จักเก็บกักกั้นไว้เพื่อได้ใช้ใช้อะไรใช้ปั่นไฟฟ้าถ้ามีความจำเป็นเอาปัน่นปล่อยลงไปเพื่อใช้ไรนาสวนน้ปาปลา เอาไปใช้อะไรแต่ต้องเกิดประโยชน์ในการใช้แต่รู้จักจเก็บนี่แหละนี่หลวงพ่อของเองก็ดูวความมั่นใจในการบริหารจัดการในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองอได้ออกปากหรือว่าบอกกล่าวเรื่องอะไรออกไปหลวงพ่อดูแล้วมองดูแล้วเป็นไปได้ไม่ได้หลักใจ ไม่ได้หนักใจกับสิ่งปัจจัย4ี่เหล่านี้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อวงการต่อพระพุทธศาสนานี่แหละเรื่องปัจจัย4ี่ถ้าว่าใครเอาไปใช้ลุยฉวยแชกหลวงพ่อไม่เห็นด้วยแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อศาสนาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อให อนุมัติให้แต่แต่ว่าเอาไปใช้แบบเที่ยวเที่ยวเตเตะสร้างอะไรก็ตามสร้างไม่มีเหตุไม่มีผลลุยลุ ย, ลยชุยแชกอยู่เพียงองค์เดียวกุฏิซาลาบลเลอร์ปล่าทำ ม, มันมีตัวเองก็ไม่ว่ากันใครจะสร้างอะไรก็สร้างแต่จะให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยมาแผลมาขอกับเราเนี่ยเรามองดูแล้วไม่จำเป็ น, นเพราะคนคนเดียวทำไมจึงไปทาอย่างนั้น มันโง่จะไปเสริมความโลภให้กับค น, นเสริมไม่ขึ้นถ้าตัวเองมีแล้วไม่เป็นไรทำได้จะทำอะไรก็ทำได้ได้เงินมาจะเอกจุดไฟเผ า, าไฟทิ้งก็ได้เอารับเอาไปทำอะไรก็ได้แต่จะไปขอคนอื่นอนะันนั้นอย่ า, าต้องคิดดูให้ดีเราให้แต่เฉพาะคนที่จำเป็นสาคัญจำเป็นที่ต้องได้ใช้ อันนั้นเราจะทุ่มเทให้หมดตัวสุดตัวเราจะให้แบ่งให้เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าดูแล้วไม่ได้เรื่องมีแต่เอาไปใช้เสริมบา ร, รมีขี้หมาของตนเองไปเสริมทำไมเสริมกิเลสไม่ใช่เสริมบา ร, รมีสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ได้คิดก่อนที่จะใช้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มา ก่อนที่เขาจะทําบุญเห็นไหมเขาไม่ใช่ว่าจบจากกระเป๋าแล้วก็อใช้เท้าเขี่ยให้ไม่ใช่นะอออกมาจากกระเป๋าแล้วก็จบแล้วจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกปารถนาแล้วปารถนาอีก เ, อเงินของเขาบางคนน่เป็นเหรียญมาก็ยังจบแล้วจบอีกอตุโคนมีขึ้นมาก็เป็นร้อยเป็นพันกันจบตัวเองจบแล้วก็ยังให้ แม่บ้านจบให้ลูกจบให้ล้านจบจบใส่หัวปังตั้งความปรารถนาเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้เราต้องมองเราจะใช้เงินเขาทุกบาททุกสตางค์เราต้องมองต้องคิดให้ดีมันคุ้มค่าไหมในการใช้ปัจจตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ล่องเหนือล่องใต้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลเอไปเรื่อยเปื่อยเออ อันนั้นมึงไก่เข้าเดินเข้าไปหานรกชัดๆ เ, ออเดินเข้าไปหาหมอนรก เ, ออเพราะการใช้จะปัจจัยสีโดยไม่เป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านีเออ้เราเป็นพระเขาถวายมาแล้วจบมาแล้วใส่หัวมาแล้วเถออิเดทูลบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาแล้วเราคูรได้รับจตุ ป, ปัจจัยเหล่านั้นเราต้องคิดซะก่อน อมีเหตุมีผลอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรมากน้อยแค่ไหนเอสมควรจะจ่ายไหมไม่สมควรจ่ายสิ่งเหล่านี้ผู้ที่ได้รับมาต้องคิดอไม่ใช่ว่าเราจะทําสุมสีสมหานะกนัทถายาชโยหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขาจึงว่าหลวงพ่อหลวงพ่อละเอียดเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> เ, ขเขาให้เอนามของหลวงพ่อหลวงพ่อละเอียดเขาว่าได้ เราบางครั้งเราก็ละเอียดจริงเนีแต่บางครั้งบางหมู่บางเพื่อนเขาว่าหลวงพ่ออินขี้เหนียวเขาก็พูดเต็มปากเต็มคําไม่ได้เนีหมู่พวกเพื่อนเขาว่าหลงพ่ออินขี้เหนียวไม่ยอมแบ่งบันปันใครเขาก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะวางบางครั้งนี่ะไม่มีใครให้หลวงพ่อให้เลยอ่ามันเกิดความจําเป็นโอ้มีความจําเป็นแล้วหลวงพ่อเขาเนี่ออเออเอ้าเท่าไหร่เอีกี่แสนให้ไปเลย แต่หลวงพ่อไม่ห่วงแต่ว่าเอาไปใช้ขอไปใช้หรือชุ่แชร์ไปขอั่านขอนี่ยอย่ามายุ่งนะมันมาหายุ่งอะไรเออมันไปใช้อะไรดูดูแล้วมันไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นพออยู่ก็อยู่ไปสิเป็นพระเราเคยทุกข์เคยยากมาพอแรงแล้วอันนี้จะปรบปรับเข้ามาจะทำท่าอวดเศรษฐีอย่างนั้นหละหะน่างโง่หลวงพ่อดดาอีกต่างหากนะ อไม่รู้จักประมาณตนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้ใดก็ตามเป็นลูกชิดหลวงพ่อก่อนที่จะมาพูดอะไรหลวงพ่อต้องคิดดูให้ดีก็แล้วกันมาขอสุมสี่สมห้าไม่ได้เดี๋ยวไล่ออกจากวัดอีกต่างหากเผลอๆยังดุยังไม่แล้วยังไล่ออกจากวัดอีกต่างหากอยังมาเหยียบวัดอีกนะยังกสำสามทับอีกต่างหากคเพราะเหตุไรนะเราต้องมีเหตุมีผลจะตุปัจจัยที่ได้มา ต้องได้มาโดยเป็นธรรมนะพูดที่เขาให้มากอย่างที่พวกเราท่านทั้งเถรทัท้งหลายเห็นนั่งอยู่ต่อหน้าจบแล้วจบอีกนะปราถนาแล้วปรารถนาอีกปรารถนามรผลนิพพานสูงสุดของใ น, ในชีวิตของเขาในใจของเขาเพราะนั้นเราเป็นพระที่นาจิตวิปัจของเขามาใช้ต้องรอบคอบสรุปแล้วนะอันนี้คือเรื่องปัจจัยสี่ ปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยแต่ใช้ผิดมันก็ผิดนะแต่ทุกโลกไม่ว่ายกไหนสมัยไหนเนี่ยมันแย่งกันในะเรื่องปัจจัยสีมันไม่ได้แย่งกันเรื่องอไปหานั่งสถานที่นั่งภาวนาก็รําจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งทำจิตใจให้หลุดพ้นอากจะจากอาสวะกิเลสจุดนั้นมันไม่แย่งกันนะมันแย่งกันนี่แหละปัจจัยสีนี่แหละ คนนั้นมีราบกว่าคนนี้มียศกะว่าคนนั้นมีคนนับถือเลื่อมใสมากกว่าคนนั้มีอัตเลกราบมากกว่าคนนั้นร่ํารวยมากกว่าโดยมากคนนั้นมียศสูงกว่าโดยมากมันแย่งเพียงแค่นีแ้แย่งขี้สรุปแล้วขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนะั่นแย่งขี้กันเพราะนั้นพวกเราเป็นพระพอประมาณพอแล้ว รู้จักประมาณตนไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าไปเน้นหนักเรื่องปัจจัยสี่จนเกินไปมีพออยู่พอกินพอใช้พอปฏิบัติธรรมแพอจะอะไรอีกถ้ามันได้มาโดยเป็นธรรมก็ไม่ว่ากันเห็นไหมอย่างวัดของเราหลวงพ่ออินไปขอร้องเขาไหมที่มาเนี่ยไม่มีบัตรไม่มีใบเชิญเชิญใน้ต่ตางหาก ไม่มีซองขาวแจกงานกระถิ่นอีกต่างหากใครจะมาก็มามาแล้กเอื้อจะทํายังไงได้ถ้าคนมามากแล้วก็ต้องตอนรับขับสู่บอกกล่าวกันเออพี่น้องถูกหลานเอ้ยมาช่วยๆกันเนอ้อสเจ้าตต้องมาเลี้ยงกันนะอันนี้เขาก็มาตามเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าคนมันมากเขาก็อยากจะได้บุญกับคนอีกเขาก็มาช่วยกันทางลงทาน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 เป็นผู้ยังมีกำลังวังชากาลังแข็งแรงท่านจะพูดแบบเด็ดเดียวพอต่อมาเมื่อท่านมีอายุมากขึ้นมาท่านก็ขี้เกียจพูดคนนั้นดึงไปงั้นคนนังดึงไปอย่างนี้พอผลในสุดท่านก็เออไม่เทินท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะท่านมากอายุมากแล้วนี่แหละหลวงพ่อเองเลยที่ตกกังวลเหมือนกันไม่ว่าลูกศิษย์ของหลวงตาไม่ว่าลูกศิษย์หลวงหลวงพ่อ ถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อดูด่าว่าเก่ายังมันทะเลทลายอยู่ถ้าหลวงพ่อปล่อยปปแล้วเ ล, ย, ลยแก่กว่านี้ไปอีกนะพวกนั้นก็มาเห็นหลวงพ่อเมื่ออายุแก่ก็ยึดแนวแถวปฏิปทาเมื่ออายุของหลวงพ่อแก่ก็ทะเลทรายไปเรื่อยแต่แต่สมัยเมื่อหลวงพ่อยังหนุม่มเขาไม่เอาปฏิปทาไม่เอาปฏิปทาของหลวงพ่อสมัยยังหนุม่มนี่แหละ เพรนั้นหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มท่านปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่อ เ, เนี่ยเกลือไปเจวัดเอาแนวปฏิปทาของท่านจัดอาหารแบ่งแจกอาหารแบ่งอยู่ในวัดอยู่ในความสงบแล้วก็มีพระเวรมีอะไรดูความเรียบร้อยบริเวณศาลาถ้าจะว่าไปเขาก็จะหาวันหลวงพ่ออินเรียนแบบหลวงตา แต่ตามไม่จริงกว่าเรียนแบบจริงๆทนะ่านหลว ง, งพ่ออินไม่เรียนแบบหลวงตาฉันมือเดียวหลวงพ่ออินฉันห้ามือเออถ้าหลวงตาใส่ผ้าสีอย่างนี้หลวงพ่ออินใส่สีเขียวอนะี่หลวงตาทำอย่างนี้หลวงพ่ออินทําอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่เรียนแบบครูบาอาจารย์สิ่งไหนที่มันดีเราก็ต้องเรียนแบบท่านอย่างที่ศาลาก็เหมือนกัน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 คนไหนล้มเราก็คนนั้นก็เหยียบต่อคนนะั้นสู้ก็เลยตายกั น, นะ เ, นเพอๆไม่มีทางออกไปถึงสะพานไม่รู้ทางออกโดดลงน้ำํำโดดลงน้ำไม่ใช่น้ําตื่นๆลงไปอย่างดูก็ได้ น, ะน้ําท่วหมหัวมิดนั่น น, ะน้ำเลยไม่ใช่ตื่นนะนะั่นตายอนะีกเสียงเหล่านี้หลวงพ่อเองก็คิดเพราะอะไรพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าของสถานที่อันไหนที่ปลอดภัยสําหรับพี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้อง หลวงพ่อก็ต้องเดีคิดเพราะนั่นหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกคิดเนะนานกว่านี้แล้วเรื่องศาลาหลังนี้แต่มันยังไม่มีจตุปัจจัยเพียงพอแต่ข่าวนี้ตัดสินใจแบบเอาทำค่อยเป็นค่อยไปเกรด เ, เนี่ยกลายเป็นศาลาหลังนี้ขึ้นมาแต่จะว่าเรียนแบบลงตาไม่ใช่ดูเสียงเมื่อวานพูดออกไหม น, มนี่คนที่จะตําหนิคนที่จะตำหนิเป็นยังไงเมื่อวาน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 ไม่เกินไปไม่ใช่ลวงตาทำอะไรตัวเองก็ขี้โอหอลวงตาพูดยังไงก็ทำเลช้างขี้ขี้ตามช้าง อ, าอันนั้นอันนั้นไม่ถูกเราต้องรู้จักประมาณตนเหมือนกันสิ่งเหล่านั้นจุดนั้นคืออะไรครูบาอาจารย์ท่านทำตัวเองไปทำมันคืออะไรจุดนั้นสิ่งนี้เราต้องได้คิดถ้าช้างขี้ขี้ตามช้างอันนั้นต้องได้คิดแต่ว่า เรียนแบบปฏิปทาของแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์นั้น่ะควรจะเรียนแบบเหลวงตาก็รียนแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าพาปองผมเออถ้าว่าปองผมนะกลัวนวดนะคล้ อ, องผ้ากาสาวพัดนะหลวงตาถ้าก็ทําตามหลวงปู่มั่นก็ทําตามในเมื่อหลวงปู่มั่นหลวงหลวงตาทําตามหลวงพ่ออินก็ต้องทําตามฮใอ้จะทำยังไงแต่ว่าการพูดหลวงตาพูดเออใช่ ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเรานะเราไม่มาเกิดอีกแล้วเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องระวังสิ่งเหล่านั้นต้องระวังเออันนี้เป็นคําพูดของท่านเอคําพูดของเราบอกพอใจพอใจอนี่เอเราจะไปว่าพอใจอย่างหลวงตาไม่ได้เราหลีกเลี่ยงคำเมือนเออขอโมทนาคณะสัตย า, า, าโจโยมาทำบุญนะ่ไม่ใช่ว่าจะเอาหลวงตาพูดยังไงจะเอาคําของหลวงตามาพูด เรียนแบบทุกอย่างมันก็ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันที่จะมันจะถูกต้องสิ่งไหนที่มันจะเหมาะสมกับสถานะของเราเราก็จะต้องรู้สถานะของเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องดูมันต้องบอกการสถานที่ซะก่อนการเวลาซะก่อ น, นเวลานี้เรายังมีพระอายุพรรษาน้อยเราจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ เดี๋ยวเขาหมั่นไส้โอ้โหยังไม่เท่าไหร่เนาะเอาการเวลาอะไรจะเป็นเครื่องพิสูจน์ดูผลทีู่ดก็นั่นนะหายข้ากีบเมฆไปลวกกี่องค์ตกกี่องค์เหมือนกันทำท่าพูด อ, ออกหน้าออกต า, าไม่ว่าใคราบางทีก็ทำท่าสอนคนพอสอนไปสอนม า, าหายเงียบไปนุ่งกางเกงไปจะแล้วมันก็มีมากต่อมากสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นเราต้องรู้จักการสถานที่การเวลาควรจะทำตนอย่างไรถึงเราจะมั่นใจร้อยเกินร้อยแต่จุดนี้แต่ดูแลเรามอง ด, ดูตัวเองว่ามันยังไม่เหมาะสมที่จะเปิดที่จะพูดที่จะกระทำสิ่งนี้ออกไปเราก็ต้องเก็บ น, นั่นแหละคือคนมีปัญญาทางโง่ไม่ได้แล้วเอผ่านไปเลยน้าลายภูมิปากกูเลยเหมือนหมาบ้าน เนี่ยพัวใสู่ขนาดเอาตัวไม่รอดหรือเอาตัวรอดไปถึงเป็นที่เหยียดหยามโพศาสนาเนี่ยทำไมงงโง่ถึงขนาดนี้โอ้อวดถึงขนาดนี้เนี่เขาไม่ใช่ยกย่องสรรเสริญนะที่เขาจะรับเขารันับถือเริ่มใส่เขากลับดูถูกเหยียดหยามอีกต่างหากเพร่ะไรเพราะไม่รู้จักประมาณตนในการพูดในการดาเนินชีวิตของตนเองสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายนะทุกองคนะให้รู้จักการสถานที่นะสถานะของตนเองนะ สงควรจะพูดยังไงจะทำยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรควรจะเก็บตนอย่างไรควรจะเปิดเผยตัวเองอย่างไรเมื่อการนั้นเข้ามาถึงเมื่ออายุปานนั้นมาถึงเอย่างหลวงพ่อเหมือนกันสมัยก่อนหน้านี้หลวงตา ย, ยังอยู่หลวงพ่อก็แจกเอ็มพีสามบังเนี่ยนี่ทิดหน่อ ย, อยปะปะปลายจากนั้นหลวงพ่อก็พูดธรรมะบงังแต่ขนาดนั้นเขายังดูถูกหลวงพ่อแต่ท้งหลวงพ่อกับพันษาก็ไม่ใช่น้อยยนะ สามีส่สิบพรรษาแล้วเขายังดูถูกหลวงพ่อได้เราเดี๋ยวนี้เราพูดอย่างเต็มที่มีอะไรที่สถานะของเราที่เราจะต้องพูดเราก็ต้องพูด แ, แสดงความคิดเห็น เ, เราปฏิบัติมาอย่างไรเราเรียนรู้มาอย่างไรเรามีประสบการณ์มาอย่างไรถ้าไม่พูดช่วงนี้เราจะพูดช่วงไหนสิ่งเหล่านี้มันต้องอถึงข่าวที่จะลองพูดกับพูด แต่อีกไม่นานน่ะหลวงพ่อก็คงจะหยุดพูดเหมือนกันนะลูกหลานเลยเอา้าหยุดพูดเจ้ากอดบ่เนี่รับพร